กอข อ, ขอจเจริญพรยากโยมนะหลวงพ่อลองฟังเสียงสัญญาณนะปรากฏ ว, ว่าเสียงบางทีมันก็หยุดบางทีมันก็มันก็เหมือนกับมันจะหยุดไปนิดนึ่งแล้วก็พอตอนหลังมันก็จะรัวรวรวรัมันคงตามไม่ทันนะนะตามไม่ทันว่าเออพูดอะไรไปแล้วก็พูดได้เร็วเพื่อจะได้ให้ทัน เอออันนี้เป็นเรื่องของอความสเสถียรของนะอินเทอร์เน็ตนะถ้าอินเทอร์เน็ตดีๆเสถียรเนี่ยมันก็จะไม่สะดุดมันจะเรียบราบเรียบนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ที่มันเกิดขึ้นจริง <laughs> เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหลวงพ่อสังเกตนะว่าคน ท, ที่ใจเนี่ยใจที่มีธรรมะเนาะ <c oughs> เห็นอะไรก็เห็นเห็น คือเห็นอะไรแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าพิจารณาเรื่องของความเป็นไตรลักษณ์เห็นถึงความว่าเออมันเป็นอย่างนี้มันไม่คงที่มันไม่ถาวรมันเปลี่ยนอหมายถึงว่าสิ่งที่อยู่นอกตัวเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์อย่างนี้ยมันก็เปลี่ยนแล้วก็มารู้ตัวเราอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอยู่กับการรู้แจ้งการรู้คือมันไม่ลืมไง แต่ถ้าเราฝึกสติมาน้อยนะไม่ได้ไม่มีได้พิจารณาแบบนี้หรอกคือมันมันมันลืมไปเลยอะ่ะมันลืมไปเลยเพราะว่ามันไปเพลินนะเพลินทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอะ่ะเป็นเป็นความเพลินงั้นจริงๆต้องมีสติรู้เท่าทันความเพลินเนาะอย่าไปเพลินมันมากคือเพลินได้แต่รู้เท่าทันไม่หลงไปเออไม่เพลินรู้เท่าทันอะ่ะ การรู้เท่าทันเนี่ยจึงเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากหลวงพ่อคือเข้าใจนะหลวงพ่อเข้าใจคนใหม่อะ่ะคนใหม่หมายถึงคนใหม่จริงจริงนะเพราะว่ามันนึกถึงตัวเองอะ่ะสมัยก่อนที่เราเริ่มต้นปฏิบัติอะ่ะมันมันเหมือนกับมันมันเข้าใจลึกซึ้งไม่ได้อะ่ะมันเหมือนกับว่าไม่เห็นเข้าใจอะไรประมาณอย่างเนี้ยอย่างเขาพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวอย่างเงี้ยบอกรู้ตัวรู้ตัวรู้ร ขยันรู้รู้มากๆากางรู้สึกว่าเออก็ขยันกขาแล้วไม่เห็นมันความแตกต่างอะไรเลยมันไม่เห็นมันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นคนใหม่มันก็ลักษณะก็คล้ายๆอย่างเนี้ยแหละคือไม่เห็นความแตกต่างว่ารู้สึกตัวแล้วกับไม่กับไม่รู้สึกตัวมันต่างกันยังไงคือคือมองไม่เห็นนะ่ะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันต้องต้องปฏิบัติเยอะๆปฏิบัติอย่างอย่างแบบอย่างไม่เข้าใจนั่นแหละแต่สิ่งที่ ที่หลวงพ่อมามองนะในเรื่องประสบการณ์จากการได้ยินได้ฟังเนี่ยที่มีคนมาบอกอีกทีหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ช่วยได้เยอะมีผู้ที่รู้แต่หมายถึงว่ารู้จริงนะเออรู้แบบเออรู้แล้วแบบถูกต้องอย่างเงี้ยมันจะเร็วมากเพราะว่าผู้ที่รู้จริงอะ่ะเขาบอกแล้วก็มันเหมือนกับว่าบอกหนทางที่ถูกพอบอกหนทางที่ถูกเราผู้ฟังเนี่ยปฏิบัติเออมันก็ถูกตามพอนะถูกตามแล้วมั น, มนเร็วนะ เพราะว่ากรรมฐานบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเลืนช้ามันเดื่อนช้าปัญญาเกิดช้าแต่ได้ความอาจจะได้ความส ง, งบเนาะอาจจะได้ความส ง, งบคือจิตใจรู้สึกว่าไม่ว่าวุ่นเออมันส ง, งบดีนะแต่ทีนี้ที่ว่าเนื่อนช้าเพราะอะไรเพราะปัญญามันไม่เกิดเพราะว่ามันไม่รู้จักว่าปัญญาคืออะไรนะแล้วก็ทําไปทำมาเนาะไอ้ความเดืนช้าแบบเนี้ย เออมันยังไงล่ะเขาเรียกว่าชีวิตคนนะเนาะมันก็ไม่เที่ยงไม่แน่บางทีปัญญายังไม่ทันเกิดหรือเกิด น, น้อยๆอยู่แต่ว่ามันต้องตายซะก่อนะคือแบบตายซะก่อนคือจบอเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเกิดมาชาตินี้เนาะแทนที่จะไดะ้มีปัญญาเข้าใจธรรมะมากกว่านี้แต่มีสิ่งมาตัดรอนทําให้ตายซะก่อนนะก็น่าว่าไปนะก็คือก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันอ แล้วทีนี้ถ้าเราปฏิบัติแบบสูร่มันไม่เกิดปัญญาเนาะถึงแม้ว่าไม่ตายเร็วอ่ะอาจจะหลายปีกว่าจะตายเช่นอายุหกเจ็ดสิบแปดสิบสมมติเนาะแต่ด้วยความเนิ่นช้าเพราะปัญญาไม่เกิดเนี่ยอันนี้ก็เสียหายพอสมควรเหมือนกัน <c oughs> แต่ถ้าให้ปัญญาเกิดเร็วๆเนี่ยเนี่ต้องมาคุยมาคุยกันแบบสอบถามมาคุยกันแล้วก็จะทําให้เกิดปัญญาเร็วขึ้น อย่างโดยเฉพาะที่เราคุยในช่วงเนี่ยระยะหลังเนี่ยสามสี่วันมันเ น, เน้นมากเลยในเรื่องของรู้ตัวแล้วก็เน้นเรื่องของว่าไอธรรมชาติรู้เนี่ยมันเป็นธรมม ร, นนธรมชาติที่ไม่ปรากฏเนาะเป็นธรรมชาติที่มันไม่ปรากฏตัวนะแต่ไม่อยูอ่ทีนี้ถ้าเราฟังอย่างนี้เราฟังไม่เข้าใจต้องมานั้นต้องต้องมาคุยกันแล้วก็ชี้บอกลองทดลองทาลองทดลองทาแล้วก็ถ้าทาแล้วถ้าเกิด เห็นจริงเห็นจังตามที่ได้ทดลองแบบนี้เออมันก็ได้เป็นปัญญาสิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะเข้าใจแบบลึกซึ้งมากขึ้นอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยทุกวันนี้แหละที่สอนบอกว่าที่บอกว่าเออให้รู้ตัวเองนะให้รู้ตัวเองนะคำว่าตัวเองอ่ะอนี่ต้องมาพูดอธิบายขยายความอีกหลวงพ่อเคยถามว่าสมมติว่าเราอยู่กันหลายๆคนแบบนี้ อยู่กันเป็นร้อยเป็นพันนะเอาสมมุติว่านึกถึงตอนประทวนะ้วงเนาะคนมันเยอะเลยที่เดินบนถนนนะแต่ทีนี้ว่าในจํานวนคนเยอะๆเนี่ยถ้าเราไม่ลืมตัวนะเราก็จะรู้จักตัวเองว่าไอ้ตัวเองเนะ่ยคือตัวเรานเนี่ยแหละมันก็อยู่ในผงชนอ่ะมันก็อยู่ในตรงนั้นนะในที่จํานวนคนเยอะๆแล้วก็จะรู้จักสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองด้วยก็คือสิ่งที่อยู่นอกตัวอ่ะ พอรู reality, right right clear right right? ้จ right ักตัวเองแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะการรู้จักตัวเองอมันรู้ง่ายอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมันรู้จักมาตั้งนานแล้วว่าไอ้ตัวเองคือตัวเรานี่แหละมันไม่ใช่ตัวเขาเออแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนนะถ้าไม่ลืมตัวมันก็รู้ดีว่าเนี่ยคือตัวเราคือคนคนนี้เนี่ยตรงเนี้ยถ้าพูดแบบเนี้ยเออมันก็ง่ายไงเพราะว่าเรารู้จักตัวเราอยู่แล้วแต่ไอ้ขั้นตอนที่ว่าให้รู้จักถึงขั้นที่ว่าตัวเราเป็นเป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยตรงนี้อ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ย มันมันทำความเข้าใจยากการที่รู้จักตัวเองโอเคโดยเผย์เผย์นนะทุกคนรู้จักแต่ไม่มีปัญญาให้รู้จักถึงขนาดว่าแล้วอะไรละ่ะมารู้เราอ่ะแล้วอะไรล่ะมารู้ตัวเองอ่ะอะไรล่ะมารู้ตัวฉันเนี่ยอะไรล่ะมารู้ตัวกูเนี่ยเออเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งรู้เนี่ยถ้าไม่มีธรรมชาติที่รู้เราเนี่ย กลายเป็นว่ามีเราแต่ไม่รู้ว่ามีเราเออไม่รู้แต่ความเป็นจริงอ่ะเวลาบางครั้งบางคราวมันก็รู้เราอ่ะก็แสดงว่าธรรมชาติที่รู้เราก็มีอยู่จริงอ่าตรงเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยโยมที่ฟังนะที่อยู่ในห้องตอนนี้หรือคนอาจจะมาออได้ฟังในเทปในอะไรที่บันทึกไว้เนี่ยก็ลองฝึกฝนในเรื่องนี้ให้ให้เข้าใจเลยเพราะว่าถ้าเข้าใจว่า มีธรรมชาติที่รู้ตัวเราอยู่จริงเนี่ยตรงนี้มันเข้าใจจริงๆเลยว่าการพ้นทุกเนี่ยมีจริงเออการพ้นทุกมีจริงแต่ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะมีตัวเราเป็นทุกอยู่คือตัวเราเนี่ยตัวเราตัวฉันตัวกูเนี่ยเป็นคือเป็นทุก ค, คือมันเป็นทุกแต่ว่ากลายเป็นว่าเราเป็นทุกเออแต่ถ้ารู้จักธรรมชาติที่มารู้เราเนี่ยก็โอเคตัวเราก็ยังเป็นทุกเหมือนเดิม แต่ธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏธรรมชาตินั้นแหละเป็นธรรมชาติที่ไม่ทุกเพราะมันเป็นธรรมชาติคนละอย่างกันธรรมชาตินั้นแหละไม่ทุกทีนี้ถ้าอยู่ด้วยความไม่ทุกก็อยู่ด้วยปัญญาก็คือว่าให้รู้เราก็คือรู้เราก็คือรู้ทุกนั่นแหละพอรู้ทุกเสร็จแล้วมันก็เข้าใจว่าทุกก็คือทุกทุกไม่ใช่เราเห็นทุกไม่ใช่ร่างกาย เช่นสมมติเราใช้คำว่าเราป่วยอย่างเงี้ยใช้ภาษาแบบบ้านๆเราปว่วยเราไม่สบายเราปวดหัวตัวร้อนปวดท้องอ่ามันก็มีอยู่ไงแต่อยเราตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็นสังขารอ่ามันเป็นความปรุงแต่งเออมันไม่ใช่เราที่แท้จริงนะแล้วมันก็มีทุกข์ของมันนะเพราะว่าธรรมชาติส่วนเนี้ยมันต้องมีทุกข์โดยตัวมันเองแต่ทีนี้ พอมีปัญญามันก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยว่าทุกเนี้ยไม่ใช่เราและก็ไม่ใช่ของเราอ่านะพูดไปนะมันเหมือนกับว่าเป็นการบอกทางชี้ทางไนงะแต่ทีนี้หลวงพ่อจะให้โยมมีปัญญาเข้าใจเนี่ยหลวงพ่อทำให้โยมไม่ได้ได้แต่บอกเนาะได้แต่บอกแล้วก็รวมถึงบอกวิธีวิธีที่ลองฝึกอะจริงๆมันก็วิธีก็คือสติปัฏฐานนั่นแหละ สติปัฏฐานคือระลึกได้คือรู้ตัวแต่ทีนี้สติปัฏฐานเนี่ยทำไมเราบางทีอะ่ะเราฝึกเยอะแต่ที่ไม่เกิดปัญญาเพราะอะไรเพราะว่าการรู้ตัวเนี่ยเหมือนกับว่ามันแยกไม่ออกระหว่างตัวกับรู้เออมันแยกไม่ออกว่าระหว่างตัวกับรู้แต่มันเป็นสิ่งเดียวกันคือรู้ตัวเนี่ยมันมีแค่หนึ่งเดียวคือแยกไม่ออกว่าไอ้ตัวเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้ แต่รู้ก็เป็นรู้อ่าทีนี้วิธีแยกนะวิธีแยกเนี่ยวิธีแยกตามตามที่หลวงพ่อมีประสบการณ์เนี่ยก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะ่ะนะคือการมองต้องมองไปจากข้างนอกก่อนนะมองมองไปที่ข้างนอกเพื่อให้เห็นข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีอยู่อาจจะเรียกว่าวัตถุ ก, ก็ได้อะไรก็ได้ที่มันอยู่ข้างนอกที่มองเห็นด้วยตาใช่ไหมแต่บางทีอ่ะ อาจจะไม่ไม่ใช้ตาดูก็ได้แต่มันก็เห็นข้างนอกได้ก็เรียกว่าเห็นด้วยใจเห็นด้วยความปรุงแต่งทางจิตอพอรู้ข้างนอกเสร็จแล้วแล้วก็ให้รู้ตัวเองอสลับไปสลับมาก็ได้รู้ข้างนอกบ้างรู้ข้างในบ้างนะพอรู้ข้างนอกบ้างรู้ข้างในบ้างเนี่ยตอนแรกก็สลับไปก่อนอรู้ข้างนอกทีนึงรู้ตัวเองทีหนึง่ง รู้ข้างนอกทีเนี่ยก็รู้ตัวเองทีจะเห็นว่าอาการรู้แบบเนี้ยมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยตรงนี้สําคัญนะเป็นจุดเบื้องต้นเนาะมันจะเห็นว่าเอ้ยมันมีตัววิ่งนะวิ่งไปดูข้างนอกทีเนะเราวิ่งกลับมาดูตัวเราทีหนึ่งอ่าตรงเนี้ยมันจะวิ่งไปวิ่งมาทีเนี้โยมก็ลองลองไปฝึกนะว่ามันเออมันเห็นวิ่งไปวิ่งมาจริงหรือเปล่าแต่บางคนอาจจะไม่เห็นการวิ่งไปวิ่งมาก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเห็นอีกขั้นตอนหนึ่ง แต่ที่ห like <reco Christ. S 1> ลวงพ่อพูดแบบนี้เหมือนกับว่าให้เริ painful, ่มต้นจากบางคนอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อทําแล้วรู้สึกว่ามันวิ่งไปเห็นข้างนอกทีหนึ่งแล้วก็กลับวิ่งกลับมาดูตัวเราทีหนึ่งพอวิ่งไปวิ่งมาเสร็จแล้วมันรู้อยู่นะว่าวิ่งอ่ะเออมันรู้นะว่าวิ่งไปวิ่งมาไม่งั้นจะมาออกมาเล่าได้ยังไงเนาะเออมันรัววิ่งวิ่งออกไปดูข้างนอกทีนึงวิ่งกลับมาดูที่ตัวทีนึงแต่พอมันวิ่งไปวิ่งมาก็ลองทดสอบว่าเฮ้ ลองอยู่แบบนิ่งๆไม่ต้องไม่ต้องวิ่งไม่ต้องทําแบบนั้นอ่ะคือไม่ต้องวิ่งอ่ะให้อยู่แบบอยู่แบบอย่าทําวิ่งก็ปรากฏว่ามันเห็นมันเห็นข้างนอกกับเห็นข้างในคือเห็นตัวเราเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันพร้อมๆกัน่ะเห็นพลึบเลยแต่มันขนาด จ, จิตเดียวนะพลึบก็เรียกว่ารู้ทั้งข้างนอกรู้ทั้งข้างในเออพลึบเดียวรู้ทั้งข้างนอกรู้ทั้งข้างในแต่ทีนี้พอทําไปทํามาเอ้ามันแจ่มแจ้งขึ้นมาว่าไอ้ตัวเราเนี่ย ที่เป็นผู้ยืนมองข้างนอกอ่ะมันก็เป็นเป็นอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกันนี่เหมือนกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกตัวพอเป็นอย่างเงี้ยมันเกิดความรู้ใหม่ความเข้าใจใหม่ขึ้นว่าว่าโอ้มันมีธรรมชาติที่รู้เรานี่นาหรือว่าจะเรียกว่ามีธรรมชาติที่เห็นเรานี่นาพอมันเข้าใจตรงนี้ไงตรงนี้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะต่อยอดในทางปัญญาที่ให้เออก็เรียกว่ามัน มันจะเริญนรุ่งเรืองได้โดยเร็วเพราะมันรู้ว่ามีธรรมชาติที่รู้เราหรือจะเรียกว่ามีธรรมชาติที่เห็นเราแต่มันไม่ใช่เราไงตรงนี้มันจะเข้าใจแบบเข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่ามันไม่ใช่เราที่เหตุว่าเข้าใจว่ามันไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะเดิมอะเราก็คือคนคนนี้เดิมอะที่มันยึดถือมานานเนี่ยว่าไอา้ตัวเราเนี่ย คือคนคนนี้ไอคนที่ยืนมองอยู่นั่นแหละแต่พอมันเห็นพอมันมันพบเหมือนกับว่ามันได้ความรู้ใหม่ว่าอ๋อมันมีธรรมชาติที่เห็นเรามีอยู่แต่มันไม่มีตัวแล้วเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยว่าไอธรรมชาติที่เห็นเราเนี่ยมันไม่ใช่เราเออเพราะมันเป็นธรรมชาติคนละสิ่งกันเนาะคนละอย่างกันมันไม่ใช่เราแต่มันเห็นเราเอ้า ทีนี้มันก็เกิดปัญญาในขั้นต่อมาอีกว่าไอเราเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วหรือว่าตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นจะเรียกว่าเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วตรงนี้มันแยกได้ระหว่างรู้กับตัวเราจึงเรียกว่ารู้เราหรือว่ามันแยกได้ระหว่างเห็นกับตัวเราจึงเรียกว่าเห็นเราทีนี้พอเข้าใจ อ, อย่างนี้ไงมันก็แยกได้แต่เมื่อก่อนมันแยกไม่ได้ มันเหมือนกับว่าเราเห็นเราหรือว่าเรารู้เรา <c oughs> มันกลายมีเราสองตัวใช่ไหมแต่ถ้ารู้เราเห็นเราอย่างที่หลวงพ่ออธิบายอ่ะมันมันมีเราอย่างดีก็คือแค่คนเดียวคือคนที่ถูกถูกเห็นแต่ไอัที่รู้มันไม่ใช่เราหรือว่าไอตัวธรรมชาติที่เห็นมันก็ไม่ใช่เราเห็นไหมมีความต่างไหมล่ะเออเมื่อก่อนเนี่ยมีเราสองตัว ทั้งเป็นสิ่งถูกรู้และเป็นผู้รู้แต่มาแบบนี้มันมีตัวเดียวที่เป็นเร อ, เอก็คือเราตัวที่เป็นถูกรู้อ่าเลยอีกตัวหนึ่งมันไม่ใช่ตัวเราแล้วพอเป็นอย่างนี้ใช้หลักไตรลักษณ์จับเลยหลักไตรลักษณ์จับเลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่เป็นความปรากฏให้รับรู้เนี่ยนะเป็นความปรากฏที่ให้ถูกเห็นได้เนี่ยให้เห็นเนี้ย โ อ, อมันก็เป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นมันก็อยู่ภายใต้กฎใจลักนี่ว่าคือมีความไม่เที่ยงเนาะก็เกิดก็เนี่ยตัวเราทั้งตัวมันเที่ยงไหมล่ะก็ไม่เที่ยงอะร่างกายก็ไม่เที่ยงจิตใจก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนอยู่เสมอนะใช่ไหมก็ถ้ากับว่าเอ้อาไอ้ตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้มันเป็นความเป็นสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์คือมันทนสภาพเดิมไม่ได้ะตัวเรามันทนสภาพเดิมได้ไหมล่ะถ้ามันทนสภาพเดิมเนี่ยมันจะต้องอยู่ยงคงกพันใช่ไหมจะต้องไม่แก ья, ไ่ไม่เจ็บ แต่ตัวเราอ่ะมันเป็นทุกขังคือมันทนสภาพเดิมไม่ได้อ้อ oh, อันนี้เป็นกฎไตร ล, ลักษณะที่สองลักษณะแรกก็คือไม่เที่ยงลักษณะที่สองก็คือเป็นทุกข์ลักษณะที่สามคือตัวเราเ น, นี่ยมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงอ่ะเพราะตัวเรามีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วตัวเรามันก็ต้องเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนตกลงไอ้ตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวจริงโยมมันเป็นตัวปลอม <c oughs> เพราะว่าถ้าใช้คําว่าตัวปลอมเนี่ยเออมันรู้สึกว่ามันเก็ต ด, ดีมันง่ายดีมันไม่ใช่ตัวจริงแต่เมื่อก่อนเนี่ยไปหลงยึดว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นตัวจริงแท้แน่นอนแล้วลืมตายด้วยนะลืมตายนึกว่าไม่ตายโอ้แต่พอเข้าใจอย่างเนี้ยอ้มันเป็นตัวปลอมตัวปลอมเหมือนกับสิ่งอื่นอืนนั่นแหละที่เป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยมันก็ปลอมหมดเพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาหมดแล้วอะไรตัวจริงอ่ะคราวนี้ยรู้จักแล้วว่าตัวจริงคือ ธรรมชาติที่มารู้เรานั่นแหละมันไม่มีตัวมันไม่ปรากฏตัวให้เรารู้มันเราเนี่ยจะไปรู้มันไม่ได้เพราะมันเป็นความไม่ปรากฏนะแต่มันอ่ะมันเห็นตัวเราได้มันรู้ตัวเราได้เมื่อสิ่งใดไม่ปรากฏสิ่งนั้นแหละมันก็ไม่เกิดเมื่อสิ่งนั้นไม่เกิดสิ่งนั้นก็ต้องไม่ตายใช่ไหมสิ่งนั้นไม่ดับมันจึงเป็นสัจธรรมสัจธ เปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าเป็นของจริงของจริงแท้ที่มีความรู้เขาเรียกว่ารู้จริงหรือว่าเห็นจริงที่จริงตรงเนี้ยคำว่าจริงก็คือเป็นการตอดเติมยืนยันเลยว่ามันเป็นของแท้เป็นของจริงเพราะไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการปรากฏไม่มีการเกิดเมื่อไม่เกิดมันก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่รู้เราธรรมชาติที่เห็นเรานี่แหละเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายเขาเรียกว่าจึงเป็นอมตะ บางทีก็เรียกว่าเป็นอมตะธาตุหรือว่าบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นนิพพานธาตุก็ได้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราก็เห็นว่าอ๋อธรรมชาตินี้มันมีสองสองสองสองฝ่ายเนาะเออฝ่ายหนึ่งเป็นควายเกิดดับเป็นควายเกิดแก่เจ็บตายเป็นควายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตต์แต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นควายที่ไม่ไม่เออเป็นความเป็นควายที่ไม่ คือมันตรงกันข้ามกันเพราะมันไม่ปรากฏเนาะเป็นขวังที่ไม่ปรุงแต่งเป็นขวางที่ไม่อยู่ภายใต้กฎใจรักแต่จริงอะมันมันคือไม่อยู่ภายใต้กฎของไม่เที่ยงเทอมันไม่อยู่ภายใต้ของกฎที่เรียกว่าเอไม่เที่ยงนะแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกขังแต่มันเป็นอนัตตาเหมือนกันคือไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันอ่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราเหมือนกันอ่าพอเป็นอย่างนี้โยมเห็นชัดแล้วยังว่า ความทุกข์กับความไม่ทุกข์นี่มันอยู่ฝั่งไหนนะความทุกข์ก็อยู่ฝั่งไตรลักษณ์นี่ใช่ไหมเออเพราะมันมันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังแต่ฝั่งไม่ทุกข์นี่มันอยู่ในฝั่งที่ไม่เป็นไตรลักษณ์เออคือไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่เป็นอะไรอ่ามันก็มีสองฝั่งแค่นี้แหละแต่ทีนี้เวลาเราปฏิบัติธรรมมานะจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติเพื่อจะไปอยู่ฝั่งโน้น มันไม่ถูกฝั่งโน้นก็คือฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็คือฝั่งนี้มันเป็นฝั่งที่แบบเด็ดขาดแน่นอนนะมันจะเปลี่ยนข้ามกันไม่ได้ไอ้ฝั่งเกิดดับมันก็ต้องเกิดดับอยู่เรื่อยไปใช่ไหมแต่ฝั่งที่ไม่เกิดไม่ดับเนี่ยมันก็คงสภาพคือมันมีความเป็นเช่นนั้นแหละมันไม่เปลี่ยนมันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปเป็นมันอ่าแต่ทีนี้ถ้าเข้าใจด้วยปัญญา สูงสุดแล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่าไอ้ฝั่งเกิดดับมันก็ไม่มีเราในฝั่งนี้เพราะมันมีแต่สังขารใช่ไหมสังขารไม่ใช่เราแล้วไอ้ฝั่งที่ไม่เกิดไม่ดับมันก็เป็นวิสังขารวิสังขารก็ไม่ใช่เราอ่า น, นี้เข้าใจง่ายอยู่แล้วเพราะตอนแรกรออรกรรมรรรม็มันไม่ใช่เราเออที่รู้จักว่าอ๋อไอ้ธรรมชาติรู้ธรรมชาติเหรียญมันไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่มีเราทั้งสองฝั่งนึกออกไปนะ ไม่มีเราทั้งสองภากฝากนี้ก็ไม่มีเราฝากโน้นก็ไม่มีเราพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เข้าใจเรื่องความเป็นอนัตตาคือความไม่มีเรานี่แหละนะอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วเออเข้าใจระดับการฟังแล้วแต่อาจจะยังไม่ยอมรับความจริงแต่ที่หลวงพ่อพูดมามันเป็นความจริงใช่ไหมเออแต่ถ้ายังไม่ยอมรับพอเกิดอะไรขึ้นปับ๊บยังยังรับไม่ได้ยังรับไม่ได้ไไดนี่แสดงว่า มันเป็นแค่ปัญญาระดับการฟังแต่ถ้าจะให้เกิดปัญญาในระดับความจริง่ะก็ต้องรับรู้ความจริงทุกขณะเขาเรียกว่ารับรู้ความจริงอยู่เป็นประจำบ่อยๆทีๆว่าอะไรเกิดขึ้นอ่ะมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏขึ้นจริงระดับจริงๆอแล้วก็ธรรมชาติฝั่งนู้นไม่เคยปรากฏแล้วก็ไม่เคยเกิดไม่เคยดักจริงๆเพราะฉะนั้นวิธีจเจริญปัญญาให้มากก็คือเขาเกิดว่าเปิดประตู นะเปิดประตูใจเปิดประตูทุกประตูรับรู้ตามความเป็นจริงมารับรู้อะไรเกิดขึ้นก็อ๋อรับรู้รู้แล้ ว, ร, ล ว, ร, วรู้แล้วเนี่ยอาการที่ใช้คําว่ารู้แล้วเนี่ยรู้แล้วนี่แหละนะมันก็เป็นปัญญาแต่ส่วนมากอ่ะตัวเราเนี่ยซึ่งมันมีกิเลสตถาอุปาทานใช่ไหมมันไม่ยอมรับความจริงแล้วก็จะหลบจะหลบจะห ล, ะลีเออจะหลบคือหลบอารมณ์อ่ะหลบ มีอารมณ์อาการอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าทางกายทางจิตเนี่ยของที่ไม่ถูกใจก็พาหลบหมดเลยบางคนไปหลบไปดูไหนไปดูหนังฟังเพลงฮบางคนก็หลบไปไปเที่ยวไปเมาหลบเพราะไม่อยากรู้ความจริงข้อนี้แต่นะักปฏิบัติธรรมอะไม่ใช่วิธีการหลบแบบนั้นไม่ได้หลบไปหนีไปเที่ยวไปกินเหล้าหรือไปอะไรคือให้ตื่นรู้อยู่สังเกตอยู่นะสังเกตอยู่ เว้นแต่ว่าหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วเพราะจริงๆอะทุกอย่างมันไม่เที่ยงใช่ไหมเออตอนแพอพอดูพอรู้นานๆปับ๊บรู้สึกมันหมดกำลังอ่าพอหมดกำลังก็คือพักผ่อนเขาเรียกว่าทำส ม, มะถะเนาะพักผ่อนอยู่ในอารมณ์เดียวที่ที่อารมณ์ที่เขาเรียกว่าที่ชอบที่พอใจอะนะแต่ว่าไม่ใช่อารมณ์ที่ทำให้เกิดกิเลสอารมณ์ที่ที่ชอบที่พอใจบางคนก็อาจจะ หนังสือธรรมะบางคนก็อาจจะฟังเสียงนั่งปิดตาพริ้มแล้วก็ฟังเสียงจั ก, กรจันทร์เลไร่ลองอะไรเงี้ยหรืออาจจะดูลมหายใจเล่นๆไปอะไรเงี้ยอือันนี้พักผ่อนแต่ทีนี้พอพักผ่อนพอจิตมีกําลังเสร็จแล้วก็พิจารณาทีนี้ก็มาพิจารณาใช้หลักเดิมมาแหละคือพิจารณาสังเกตอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้พอหมดแรงอีกก็อ่ากลับมาทําสมถะใหม่อีกเนี้ยอย่างเงี้ย ก็สลับไปสลับมาเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงอะเนาะไ อ, ไอเรื่องสมัมมาทาสมาทิมันก็ไม่เที่ยงปัญญาเนี่ยปัญญาระดับโลกียะเนี่ยปัญญานในขันหามันก็ไม่เที่ยงเออมันก็ต้องเปลี่ยนอย่างนี้แหละอืมเพราะนั้นวิธีปฏิบัติก็คือมันก็คล้ายกันกับเรื่องของอแบตเตอรี่อนะที่เขาอุปมาว่าเออถ้าเราใช้งานมากแบตเตอรี่มันก็หมดอเพราะนั้นต้องชาร์จบ้างพอชาร์จเสร็จก็ได้ ได้พลังงานมาแล้วก็มีไฟที่จะใช้ทํางานใช้ประโยชน์ได้พอใช้ไปใช้มาเอามันหมดอีกแหละก็ต้องชาร์จอีกนะอันเนี้ยมันก็เป็นธรรมชาตินี่แหละเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าได้มันเป็นสังขารไม่เที่ยงมันก็สลับนะแต่ทีนี้เมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยถึงขั้นสูงสุดก็หมายความว่าเข้าใจหมดแหละว่าไอความไม่เที่ยงเนี่ยเดี๋ยวมันมีกําลังเดี๋ยวไม่มีกําลังอ๋อมันเป็นฝั่งที่ไม่เที่ยงเป็นฝั่งที่ถูกรู้เออมันไม่เที่ยงแต่ฝั่งที่ฝั่งรู้เนี่ยไอฝั่งรู้เนี่ย มันมันไม่มีสลับอย่างนั้นหรอกมันรู้อย่างเดียวมันรู้ว่าอ่าหมดแรงแล้วมันรู้ว่ามีแรงแล้วมันรู้อย่างเดียวอ่ะเออมันมันอันเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ที่แตกต่างไปจากธรรมชาติที่ถูกรู้อ่าโยมฟังแล้วนะก็ต้องไปไปสังเกตไปลองดูเพื่อให้เข้าใจในเรื่องธรรมชาติรู้เรานี่แหละแล้วก็ให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าเราทั้งตัวเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้ สิ่งถูกรู้เราเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้รู้ที่แท้นะเราเนี่ยเป็นผู้ที่รู้ปลอมเป็นรู้ไม่จริงนะเพราะอะไรเป็นรู้ที่เป็นรู้ที่ปรุงแต่งนะแต่รู้แท้รู้จริงหรือว่าไอสภาพธรรมะที่เรียกว่าเห็นนะเห็นแจ้งรู้จริงนะนะ น, นั้นแหละของแท้ของแท้จึงพูดไม่ได้นะแสดงอาการไม่ได้นะจะเคลื่อนไหวกระดุกระดิกก็ไม่ได้นะเพราะถ้า อะไรที่มันกระดูกกระดิกได้เคลื่อนไหวได้พูดได้เล่าได้อะไรเนี้ยอันเนี้ยปลอมหมดเลยอ่าทีนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้แจ่มแจ้งนะโยมเนี่ยของจริงมันเรียนต่างอย่างนี้นะไอ้ตำราคัมภีนะอันนั้นเป็นแค่แ น, แนวทางแนะบอกสติปัฏฐานก็เป็นการแนะบอกใช่ไหมว่าอ่าการปฏิบัตินะทําอย่างนี้นะสติปัฏฐานเนี่ยเช่นบางทีเราก็มองข้ามไปนะมีนะพูดถึงว่าสติปัฏฐานเนี่ยเช่นกายเนี่ย บอกให้รู้กายภายนอกบ้างรู้กายภายในบ้างรู้ทั้งกายภายนอกและก็ทั้งการภายในบ้างเห็นเขาพูดถึงข้างนอกกับข้างในเนาะเออให้รู้หรือว่าให้รู้กายกับจิตใจก็ได้อ่ะมันก็จริงๆมันคนละอันกันถ้ารู้กายก็คือเขาเรียกว่านอกจิตแต่ถ้ารู้จิตก็คือรู้ในจิตอ่ะเห็นไหมก็รู้รู้นอกก็คือรู้สภาพธรรมะคนละอย่างเหมือนกันรู้กายก็อย่างหนึ่งรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตก็อย่างหนึ่ง พอรู้ไปรู้มาตรงนี้หลวงพ่อจะชี้ให้โยมลองดูนะสมมติว่าฝึกปฏิบัติในเรื่องของรู้กายก่อนรู้กายภายในก็คือรู้ตัวเรารู้กายภายนอกอันนี้ภายนอกแบบที่เห็นได้ง่ายก็คือรู้กายคนอื่นรู้กายคือไม่ใช่กายเราอะรู้กายข้างนอกแล้วก็รู้กายตัวเองแล้วบางทีก็รู้ทั้งกายภายนอกแล้วก็รู้ทั้งกายภายในก็คือรู้พลึบรู้พร้อมๆประมาณอย่างนั้นน่ะนะ พอตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเข้าใจเองแหละว่ากายภายนอกก็ไม่ใช่รู้คือกายภายนอกไม่มีสภาพรู้แต่เป็นสิ่งถูกรู้กายภายในนะก็ไม่ใช่รู้แต่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ตรงเนี้โยมนึกออกแล้วยังว่าอ๋อตัวสติเนาะคือตัวรู้ตัวรู้ก็คือตัวที่ไปรู้สิ่งอื่นไงเออเพราะฉะนั้นสติเนี่ยมันจึงไม่ใช่ ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกและก็ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายในแต่มันคือสภาพธรรมะอีกตัวหนึ่งซึ่งทําหน้าที่ระลึกได้ทําหน้าที่รับรู้อ่าเห็นลองยังมันแตกเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เห็นการแยกนะแยกสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าแยกเป็นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามันมีดวงตาคือเกิดปัญญาไงปัญญาเหมือนกับเห็นมันเห็นด้วยตาหนะ่ะเออ เหมือนระหว่างฟังเนี่ยถ้าฟังเข้าใจมันเหมือนเห็นด้วยตาเนื้อเลยว่าโอ้ไอสิ่งที่อยู่ข้างนอกเป็นอย่างนั้นไอสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นอย่างนี้โอไอตัวสติมันไม่ใช่ข้างนอกแล้วก็ไม่ใช่ข้างในแต่เป็นสภาพธรรมะที่ระลึกรู้ที่รู้นี่มันก็เกิดปัญญาแบบเห็นแจ้งอ่ะเกิดปัญญาเห็นแจ้งเหมือนกับเห็นด้วยตาประมาณอย่างเงี้ยใคยพูดอะไรก็โอ้ชัดเจนเข้าใจเลยนี่ท้ลองนะถ้าสมมติว่าฟังแบบไม่มีสติไม่มีสมาธิเนาะ แล้วก็สมมติว่าต่อต้านในใจเนาะเถียงชอดฉอดฉอดอดธรรมะมันไม่เข้าถึงใจหรอกเพราะว่ามันจะมีตัวเถียงตัวที่ปฏิเสธอ่ไม่ยอมที่จะเปิดใจมันก็กลายเป็นว่าหลวงพ่อพูดมาทั้งทีก็เลยไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอแต่ถ้าผู้มีศรัทธาเนาะศรัทธาก็ลองฟังดูโอ้ใจก็สงบพอสงบปั๊บหลวงพ่อพูดอะไรนี่เห็นแจมแจ้งเข้าใจเลยก็เรียกว่า หลวงพ่อพูดอย่างหน่อยก็เข้าใจ อ, อย่างนั้นก็เรียกว่าเข้าใจตรงกันหลวงพ่อพูดอย่างเนี้ยต้องการสื่อให้เข้าใจอ ย, อย่างนี้แล้วยมฟังยมเขเข้าใจตรงกันเป๊ะเลยกับที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเขาเรียกว่าการถ่ายทอดธรรมที่มันมันมันลงตัวกันนะจะเรียกว่าจิตสู่จิตก็ได้หลวงพ่อคิดว่าที่พูดมาอย่างนี้น่าจะมีผู้เห็นตามน ะ, ะทีนี้ก็ทีนี้ก็ถึงคราวที่พวกเรา มาแชร์ประสบการณ์มาเล่าในเรื่องประเด็นที่เรื่องรู้ตัวอย่างนี้แหละออว่าเป็นยังไงหรือว่าหลวงพ่อพูดแล้วไม่เข้าใจตรงไหนให้หลวงพ่ออธิบายเพิ่มเติมอะไรเงี้นะ